วันในการนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมอาจจะไม่สะดวกเพะต้องเข้ามานั่งในศาลาถ้าทางด้านนู้นแออาจจะมานั่งที่ศาลานี้บ้างก็ได้ศาลานี้มีที่ว่างอยู่แต่อย่างคําที่เขาพูดไว้ว่า ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ไม่ได้ถ้าเรามาเพื่อใจเรามาเพื่อหาความสุขทางใจความลาบากทางร่างกายก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเพราะความสำคัญอยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธานถ้าเราทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขได้ความทุกข์ยากลําบากทางร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าเราทําใจให้สงบให้สบายไม่ได้ต่อให้เรามีความสุขความสบายทางร่างกาย มากน้อยเพียงไรก็จะหาความสุขไม่ได้เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสุขใจใจจะสุขได้ใจต้องมีความยินดีตามสภาพเรียกว่าสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดฝนจะตกดดจะออก ถ้าเรายินดีกับสภาพของฝนฟ้าอากาศเราก็จะมีความสุขได้ฝนตกก็มีความสุขแดดออกก็มีความสุขเพราะใจเรามีความยินดีกับการฝนตกกับการที่มีแดดออกแต่ถ้าเราไม่มีความยินดี ฝนตกเราก็ทุกแดดออกเราก็ทุกเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักมาทำใจให้มีความยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสภาพทุกเวลาถ้าเราทำได้แล้วเราจะมีความสุขทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดอยู่กับฝนตกก็มีความสุข อยู่กับแดดออกก็มีความสุขเพราะความสุขของใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆขึ้นอยู่ที่ว่าใจจะทำใจได้หรือไม่ทำใจให้ยินดีกับทุกสภาพที่กำลังปรากฏได้หรือไม่และถ้า ยังทำไม่ได้เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือคือมีทำรรที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้ไว้กับพวกเราให้พวกเรามาทำใจให้มีความยินดีกับทุกสภาพได้นี่คือสิ่งที่เรามาหากันมาหาธรรม ทาที่จะปรับใจของพวกเราให้มีความยินดีกับทุกเหตุการณ์ทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะสุขหรือจะไม่สุขทางร่างกายก็สามารถมีความสุขทางใจได้ถ้ามีธรรมธรรมที่พวกเรา ต้องมาสร้างกันนั้นก็คือการภาวนาการภาวนาจะทำให้เราสามารถควบคุมใจของเราให้มีความสุขได้กับสภาพ ท, ทุกสภาพกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ถ้าเราสามารถทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ ให้สักแต่ว่ารู้ได้ให้ปล่อยวางได้ไม่ให้ไปยึดไปดติดไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาขเขาเกิดก็ปล่อยเขาเกิดเขาดับก็ปล่อยเขาดับไปเราไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้เวลาเขาเกิดไปสั่งให้เขาดับก็ไม่ได้ เวลาเขาดับจะไปหยุดไม่ให้เขาดับก็ไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเกิดหรืออยากให้เขาดับเราก็จะวุ่นวายใจเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่ใจของพวกเราการที่เรามาปฏิบัติกัน ก็เพื่อที่มาหยุดความอยากนี้เองเพราะเวลาที่ไม่มีความอยากใจก็จะสงบใจก็จะเย็ยนจะสบายจะสักแต่ว่ารู้จะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆนี่คือ สิ่งที่พวกเราต้องมาปฏิบัติกันเพราะตอนนี้ใจของพวกเราไม่ศักแต่ว่ารู้ไม่เป็นอุเบกขาใจของพวกเราเต็มไปด้วยตัณหาความอยากต่างๆอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ <Yeah. S 1> อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้คนนั้นอยากได้คนนี้ <Yeah. S 1> อยาก ไม่ให like, so like ้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากไม่ให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจของเราจึงหาความสุขไม่เจอกันเจอแต่ความทุกข์เจอแต่ความวุ่นวายใจไม่รู้จากจบจากสิ้นเพราะเราไม่รู้ความจริงของใจของพวกเราว่าความสุขของใจของเราอยู่ที่ตรงไหนนั่นเองความทุกข์ของใจของเราอยู่ที่ตรงไหน ถ้าเราไม่ได้มาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันรู้ความจริงของใจของพวกเราเลยว่าอะไรทำให้ใจของเรามีความสุขอะไรทำให้ใจของเรามีความทุกข์แต่พอเราได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้รู้ว่า ความสุขความทุกข์ของใจอยู่ที่ความอยากหรือความไม่อยากนี่เองถ้ามีความอยากแล้วต่อให้มีอะไรมากมายกายกองก็จะมีความทุกข์อยู่จะมีความวุ่นวายใจอยู่ถ้าไม่มีความอยากแล้วถึงแม้ไม่มีอะไรเลยก็จะไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความทุกข์จะมีความสุข มีความสบายถึงแม่ร่างกายจะเป็นอะไรไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายไปใจที่ไม่มีความอยากเลยนี้จะไม่เดือดร้อนเลยใจมันจะมีความสุขตลอดเวลาดังนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือเราต้องมาคอยกําจัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจให้ได้ ตอนนี้ใจของเรายังไม่มีความสุขเพราะใจของเรายังมีความอยากยังอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะอยู่ยังอยากได้ลาบยศสรรเสริญยังดากไม่ให้ลาบยศสรรเสริญที่เราได้มาแล้วนั้นเสื่อมจากเราไปยังอยากให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนยาวนานยังอยากไม่ให้ร่างกายแก่อยากไม่ให้ร่างกายเจ็บอยากไม่ให้ร่างกายตายเมื่อเรามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจเราจะหาความสุขไม่ได้ต่อให้เรามีราบยศสรรเสริญมากน้อยเพียงไรก็ตามความทุกข์ต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆก็ยังจะมีอยู่กับใจของเราไปเรื่อยๆ ดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติของพวกเราการดำรงชีวิตของพวกเราจึงไม่ได้อยู่ที่การไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเป้าหมายของชีวิตของพวกเราอยู่ที่การมากําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเรา เพราะเมื่อเรากำจัดความอยากได้หมดแล้วเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามจะแรนแ้นแค้นจะขาดแคลนจะแกะ่จะเจ็บจะตายจะไม่เป็นปัญหาจะไม่ได้มาทาให้ใจที่ไม่มีความอยากนี้มีความทุกข์เลยแต่ถ้าเรามัวแต่ไปหา ลาบยศรสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะต้องพบแต่ความทุกข์พบแต่ความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆเพราะว่าการได้ลาบยศรสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมานี้ไม่ได้มากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปแต่กลับมาเสริมสร้างความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้น ได้คือก็อยากจะได้เป็นศอกได้เป็นศอกก็อยากจะได้เป็นวาความอยากนี้จะขยายจะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็อยากจะมีชีวิตอยู่พออยู่สุขสบายแล้วก็อยากจะร่ำอยากจะรวยพออยากพอรวยแล้วก็อยากจะมีหน้ามีตามีเกียรติ พอมีหน้ามีตามีเกียรติแล้วก็อยากจะมีอายุยืนยาวนานอยากจะอยู่ไปนานๆแล้วพอถ้าจะต้องตายไปก็อยากจะไปสวรรค์กันนี่คือความอยากของพวกเรามันจะไม่มีวันจบและเวลาที่ไม่ได้ดังใจอยากก็จะเสียใจจะทุกข์ใจกัน แล้วก็จะต้องทุกข์ใจวาเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นของชั่วคราวมันของไม่เที่ยงได้อะไรมาในที่สุดก็ต้องหมดไปได้ชีวิตมาคือได้ร่างกายนี้มาต่อไปก็ต้องสูญเสียร่างกายนี้ไปได้ลาบยศสรรเสริญมาก็จะต้องสูญเสียลาบยศสรรเสริญไป นี่จึงไม่ใช่เป็นทางแห่งการที่จะสร้างความสุขให้กับใจของพวกเราทางที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจของพวกเราอยู่ที่การมาดับความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจของพวกเราอันนี้คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ การเจริญในลาบยศสรรเสริญความสุขอยู่ที่การกําจัดความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้หมดไปจากจิตจากใจและการที่เราจะมากําจัดความอยากเหล่านี้ได้เราก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องมือนี้ก็คือธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันคือทานศีลภาวนาให้พวกเรามันทําทานกันอย่าเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากเพราะการเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากจะเป็นการเพิ่มความอยากเพิ่มความทุกข์ให้แก่ใจไม่ได้เป็นการลดความอยากลดความทุกข์ให้กับใจ การที่จะลดความทุกข์ลดความอยากให้แก่ใจก็ต้องเอาเงินไปทำทานแทนแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของที่เราอยากได้เอาเงินไปทาในสิ่งที่เราอยากทำเราจะได้ความสุขปลอมคือความสุขด้วยเดียวได้ในขณะที่เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำรรหรือได้สิ่งที่เราอยากได้ แต่พอเราได้มาแล้วความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วก็จะมีความสุขใหม่โผล่ขึ้นความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาทำให้เราต้องไปทำไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้แล้วถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราก็ต้องไปหาเงินหาทองมาตอบสนองความอยากของเรา หามาได้มากเท่าไหร่ก็เอามาใช้ตามความอยากของเราก็ต้องไปหาอยู่เรื่อยๆชีวิตของเราก็จะติดหลม่มติดอยู่กับการหาเงินติดอยู่กับการใช้เงินเพื่อความอยากต่างๆเราต้องตัดวงจร น, นี้ออกไปด้วยการไม่ใช้เงินตามความอยากเงินทองถ้าจะใช้ใช้เพื่อความจำเป็นได้ ไม่เป็นโทษเช่นใช้เพื่อดูแลรักษาร่างกายใช้ไว้สำหรับซื้ออาหารซื้ อ, อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งห่มถ้าขาดแคลนซื้อที่อยู่อาศัยถ้าไม่มีถ้ามีที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่ต้องซื้อถ้ามีเสื้อผ้าพอสวมใส่แล้วก็ไม่ต้องซื้อซื้อแต่ในสิ่งที่ขาดแคลน เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องซื้อหยุกซื้ อ, อยามาหรือซื้ออาหารที่มันหมดอาหารที่เราซื้อมารับประทานพอมันหมดเราก็ต้องไปซื้อมาใหม่ถ้าเราใช้เงินทองแบบนี้ไม่เป็นโทษกับจิตใจแต่ถ้าเราใช้เงินทองไปกับความอยากเช่นอยากดูภาพยนตร์อยากจะฟังเพลงอยากจะไปตาม ไปท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้เรามีความสุขถ้าทำแบบนี้มันจะทำให้เราติดกับติดอยู่กับการใช้เงินติดอยู่กับการหาเงินแล้วเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมากำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการมารักษาศีลด้วยการมาภาวนาได้ ดังนั้นถ้าเรายัางใช้เงินตามความอยากอยู่เราก็ต้องมายุติมันเวลาอยากจะใช้เงินตามความอยากก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานแทนเพราะการทาบุญทาทานก็จะให้ความสุขกับเราที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้เงินตามความอยากเช่นไปดูภาพยนตร์ไปเที่ยวกับการเอาเงินไปทำบุญนี่ เราจะได้ความสุขใจที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปดูภาพยนตร์ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ แ, แล้วเราก็จะเบรกหยุดความอยากไปเที่ยวหยุดความอยากที่จะใช้เงินตามความอยากได้ต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองทำตามความอยากต่างๆเพราะเรา ใช้เงินด้วยการทำบุญทำทานทําให้ใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจและทำให้ความอยากจะใช้เงินตามความอยากมันหมดไปเมื่อไม่มีความอยากใช้เงินก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาเงินมามากมายกายกองถ้าหาก็หาเพื่อพอมาเลี้ยงชีพได้ก็พอเราก็จะไม่ต้องเสียเวลามากกับการหาเงินหาทอง เราก็จะมีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมกันมารักษาศีลมาภาวนากันมากาจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเรานี่คือหน้าที่ของการทำทานเป็นการสกัดกัน้นเป็นการกาจัดความอยากที่จะเอาเงินทองไปซื้อไปทำอะไรตามความอยาก พอเราไม่ใช้เงินทองไปซื้อไปทําอะไรตามความอยากต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองเมื่อไม่มีความอยากจะใช้เงินทองตามความอยากก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปทํางานให้เหน็ดเหนื่อยไปหาเงิ น, ห า, งนหาทองมาเสียเวลาไปเปล่าๆหามาได้เท่าไหร่ก็เอามาใช้หมดหมดแล้วก็ต้องไปหาใหม่ก็จะทําอย่างนี้ไปแล้วก็บ่นว่าไม่มีเวลาไปวัน ไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมจะมีเวลาได้อย่างไรในเมื่อเรามัวแต่หาเงินกับการใช้เงินตามความอยากการใช้เงินตามความอยากนี้มันไม่หมดมันจะมีแต่เพิ่มมากขึ้นยิ่งหาได้มากก็ยิ่งใช้มากขึ้นสมัยที่เราเป็นเด็กๆนี่เราใช้เงินวันตะกี่สตังค์ไปโรงเรียนนี่พ่อแม่ให้เงินไปใช้ตักี่สตงค์เราก็ใช้ ตามที่พ่อแม่ให้มาเราก็อยู่ได้แต่พอเราโตขึ้นมาเราทำมาหากินหาเงินหาทองได้แล้วทีนี้เรากลับใช้เพิ่มมากขึ้นเพราะความอยากได้ของต่างๆมีมากขึ้นต่อให้เรามีเงินมากเท่าไหร่ความอยากมันก็จะมามาดูดเอาเงินที่เราหามาได้เพราะมันก็จะมีของที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆให้เราซื้อ แล้วเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนากันมาทำใจให้สงบมาหยุดความอยากมากาจัดความอยากให้หมดไปจากใจของพวกเราดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำในเบื้องต้นก็คือถ้าเรายังใช้เงินตามความอยากอยู่เราต้องยุติอย่าไปใช้มันเอาเงินที่จะไปใช้ตามความอยากนี้เอาไปทำบุญทำทาน เช่นไปอยู่วัดเนี่ยเอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่ากับข้าวค่าอาหารอแล้วเราจะได้ภาวนากันได้รักษาศีลกันเช่นญาติโยมที่มาอยู่วัดมาถือศีลแปดมาภาวนาก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่แหละไปใช้ในการสนับสนุนในการภาวนาเพราะเมื่อเรามาอยู่วัดเราก็ต้องช่วยทํานุบำรุงวัดกันะ ว่าจะอยู่ได้ก็เกิดจากการทํานุบบำรุงการทําทานของญาติโยมพราะมันมีค่าใช้ใจ่ายมีค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลรักษาค่าบุรณะซ่อมแซมและค่าก่อสร้างที่พระกาศัยมันมีค่าใช้ใจ่ายพวกเราที่ต้องการสถานที่ปฏิบัติธรรม ต้องการสถานที่ภาวนาเราก็ไปอยู่ตามสถานที่เขามีที่พักให้เราอยู่ได้ภาวนาแล้วเราก็เอาเงินที่เราจะไปใช้ในการท่องเที่ยวนั้นมาใช้ในการสนับสนุนในการภาวนาของพวกเราใช้เป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารค่าที่พักค่าน้ําค่าไฟค่าบูรณนะซ่อมแซม ดูแลรักษาสถานที่ปฏิบัติธรรมนี่คือวิธีการใช้เงินทองที่ถูกต้องคำว่าทานหมายความว่ายอย่างนี้หมายความว่าเราอย่าใช้เงินไปในทางที่จะทำให้เกิดตัณหาความอยากเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดมีความทุกข์ความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นแต่เราต้องการหยุดการใช้เงินไปตามความอยาก เพื่อที่เราจะได้ลดความทุกข์ความวุ่นวายใจลดความอยากต่างๆให้น้อยลงไปแล้วเราจะได้ไปอยู่วัดได้ไปปฏิบัติธรรมได้เพราะถ้าเรายังมีความอยากไปหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายอยู่ยังอยากจะไปท่องเที่ยวยังอยากจะไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆยังอยากไปงานเลี้ยงยังอยากจะไปหาความสนุกสนานเฮฮา จากการดูการฟังก็จะไม่มีเวลาที่จะทำให้เรามาทำใจให้สงบได้เราจึงต้องตัดความอยากเหล่านี้ที่เราเรียกว่ากามตัณหาหรือกามฉันทะที่เป็นนิวรณ์ที่เป็นอุปสรรคขวางกัน้นการที่จะทำให้ใจของเรามีความสงบมีความสุข หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราและกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของเราเราต้องแก้นิวรณ์ตัวนี้อย่าไปแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเอาเงินที่เราจะไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาใช้ใจ่ายที่วัดไปใช้ใจ่ายที่สถานที่ปฏิบัติธรรม สถานที่ที่จะเอื้อต่อการที่จะทำให้ความอยากของเรานั้นน้อยลงไปและหมดไปได้ในที่สุดเราต้องการสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นลดเพราะถ้าเราอยู่ใกล้เราเป็นเหมือนคนติดบุหรี่ติดสุราถ้าอยากจะเลิกบุหรี่เลิกสุรานี้ต้องไปอยู่ที่มันไม่มีสุราให้ดืม่มที่ไม่มีบุหรี่ให้สูบ เพราะถ้าอยู่ใกล้ที่มีบุหรี่มีสุรานี่ใจมันจะอดไม่ได้แล้วก็จะเลิกไม่ได้แต่ถ้าเราไปอยู่ในที่ไม่มีสุราไม่มีบุหรี่ให้สูบพอจะอยากจะสูบหรืออยากจะดื่มสุราก็ไม่มีให้ให้สูบไม่มีให้ดื่มก็ต้องทําใจต้องอดไว้อดกัน้นถ้าเราอดกั้นไปเรื่อยๆนานๆเข้ามันก็จะ ทำให้เราหายอยากไปเองฉันใดการที่เราจะทําใจของเราให้สงบได้เราต้องอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภาถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองนี้เราจะถูกค้อบร้อมด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลพภาจะทําให้เรานี้ไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบได้เลยเราจึงต้องไปปรีกวิเวก ไปอยู่ในที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสที่มาคอยยั่วยวนกวนใจแล้วเราก็ต้องมาฝืนความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะไม่ให้ไปยินดีด้วยการไม่ทําตามความอยากแทนที่จะไปเที่ยวเราก็มาอยู่วัดกันแทนแล้วก็มาเจริญเบรกของใจ เพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่ความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ยังไม่หายไปมันยังมีอยู่มันจะหยุดและมันจะถูกทำลายไปได้หมดก็ต้องอาศัยสติและปัญญาสติจะเป็นตัวหยุดชั่วคราวแล้วปัญญาจะเป็นตัวที่จะทำลายความอยากให้หายไปอย่างถาวร แต่ในเบื้องต้นเราต้องหยุดความอยากก่อนเมื่อหยุดแล้วเราหยุดมันได้แล้วเราก็จะฆ่ามันได้ถ้ายังหยุดมันไม่ได้ก็จะฆ่ามันไม่ได้เหมือนกับเราจะฆ่าสัตว์เช่นลิงเราจะจับลิงมาฆ่านี้เราต้องจับตัวมันให้ได้ก่อนเพราะเราจับตัวมันได้มัดมันไว้มันไม่ดิ้นนะเราก็สามารถที่จะใช้มีดฟันฆ่ามันได้ ตัณหาความอยากก็เป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นเราต้องหยุดมันก่อนเมื่อมันนิ่งแล้วเราก็เอาปัญญามาฆ่ามันตัวสิ่งที่จะมาจับตัณหาความอยากให้มันนิ่งก็คือสติเราต้องเจริญสติถ้าเราได้มีเวลาออกไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดแล้วสิ่งที่เราควรจะพยายามทำอยู่ตลอดเวลา ก็คือการเจริญสติการเจริญสติก็คือการหยุดตัณหาหยุดความคิดต่างๆตัณหานี้อาศัยความคิดต่างๆเป็นเครื่องมือถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดตัณหาความอยากได้ถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้ตัณหาความอยากต่างๆมันก็จะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆพอคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทาน พอคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดืม่มพอคิดถึงภา พ, พยนตร์ก็อยากจะดูพอคิดถึงเพลงก็อยากจะฟังมันจะทำให้เราไม่สงบจะทำให้เร า, าฟุ้งซ่านเราจึงต้องใช้สติหยุดความคิดต่างๆให้ได้สตินี้ก็มีหลายวิธีด้วยกันที่จะสร้างสติขึ้นมา ถ้าเรายัางไม่มีสติถ้าเรายัางไม่สามารถหยุดความคิดได้เราก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่จะสร้างสติขึ้นมาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้เราเรียกว่ากรรมฐานสนะี่สิบมีกรรมฐานสี่สิบชนิดด้วยกันที่เราสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือสร้างสติได้เช่นในกลุ่มของอนุสติที่มีอยู่สิบก็มีเช่นพุทธานุสติ ธรรมานุสติสังขานุสติพุทธานุสติก็ให้เราลึกถึงพระพุทธคุณเช่นสวดอิติปิโสไปถ้าหรือถ้าจะเลึกแบบสั้นๆก็พุทโธพุทโธไปอันนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าเรามีพุทโธพุทโธหรือเรามีการสวดอิติปิโสไปภายในใจเราก็จะไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึง สิ่งที่เราอยากได้กันใช้พุทโธก็ได้ใช้พุทธานุสติคือบทพุทธคุณก็ได้ใช้ธรรมโมก็ได้ถ้าเราอยากจะใช้ธรรมานุสติจะใช้สวาขาโตพระกัตาธ ร, รมโมก็ได้ถ้าเราต้องการใช้สังขานุสติแล้วก็ใช้สังโฆไปหรือจะใช้สุปฏิปันโนไปอุชุยายะสามิจิปฏิปันโนไป สวดไปซ้ำๆสวดกลับไปกลับมาสวดไปทั้งวันทั้งคืนสวดเพื่อไม่ให้คิดแล้วถ้าเวลาหยุดสวดมันไม่คิดเราก็ไม่ต้องสวดถ้ามันไม่คิดมันเฉยๆมันสบายมันไม่หิวมันไม่อยากก็หยุดสวดพอมันคิดมันอยากก็ต้องสวดกันใหม่เหมือนกับรถยนต์ถ้าเราต้องการให้มันจอดให้มันนิ่งเราก็ต้องคอยเหยียบเบรกไว้ พอเราเหยียบเบรกแล้วรถมันนิ่งเราก็ปล่อยเบรกได้แต่พอรถมันเริ่มไหลเริ่มวิ่งเราก็ต้องเหยียบเบรกใหม่ความคิดของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่เราต้องใช้เบรก ค, คอยหยุดมันเบรกก็คือสตินี่คืออนุสติมีทั้งพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติหรืออนาปนาสติก็การดูลมหายใจเข้าออก แล้วแต่ว่าเราอยู่ในลักษณะไหนเวลานั่งนี้ดูลมหายใจเข้าออกจะเหมาะนั่งหลับตาแล้วเราก็ดูลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่อยากที่จะสวดหรือบริกรรมพุทธโธเราก็ดูลมหายใจเข้าออกไม่ต้องมารวมกันก็ได้เอาอย่างใดยอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าจะดูลมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้พุทธเข้าโทออกก็ได้ แต่ถ้าเราอยากจะใช้พุทเข้าโทรออกก็ได้อันนี้แล้วแต่จลิมความถนัดคนบางคนถนัดใช้พุทเข้าโทออกคนบางคนชอบดูแต่ลมเฉยๆไม่อยากจะบริกรรมคนบางคนไม่ชอบดูลมชอบบริกรรมก็บริกรรมพุทโทรไปอย่างเดียวโดยไม่ต้องไปดูลมก็ได้ไม่ต้องไปสนใจลม ให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวอันนี้ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาดูว่าวิธีไหนที่จะเหมาะกับตนวิธีไหนจะเหมาะกับตอนที่นั่งวิธีไหนจะเหมาะกับตอนที่เดินวิธีไหนที่จะเหมาะกับการตอนที่เรากำลังทําภารกิจต่างๆเพราการเจริญสตินี้เราต้องเจริญตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไป ถึงจะเรียกว่ามีความเพียรถึงจะเรียกว่ามีการภาวนาแล้วเราต้องเจริญสติตลอดเวลาเพราะความคิดของเรามันคิดอยู่ตลอดเวลานั่นเองถ้าเราปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็จะลากพาเราไปทากิจกรรมตามความอยากต่างๆแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบทาใจให้มีความสุขทำใจให้มีอุเบกขา ที่จะมีความยินดีมีความพอใจกับสภาพทุกสภาพกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ได้ดังนั้นสติการเจริญสตินี้เป็นเป้าหมายแรกของการปฏิบัติเราต้องพยายามเพียรสร้างสติขึ้นมาและต้องเพียรพยายามทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าเรากำลังทำอะไร ถ้าเราจะใช้พุโทโธเราก็บริกรรมพุโทโธควบคู่กับการทางานของเราไปถ้าเราจะใช้กายกตาสติก็คือการใช้ร่างกายเป็นการสร้างสติเราก็เฝ้าดูการทำงานของร่างกายตอนนี้ร่างกายกำลังนั่งหน้าก็ให้เฝ้าดูการน่่งหน้าเพียงอย่างเดียวกำลังแปลงฟันก็ให้ดูการแปลงฟันเพียงอย่างเดียว กำลังรับประทานอาหารก็ให้ดูการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายไปถ้ามันไม่ยอมอยู่เราก็ใช้พุโทโธก็ได้ท่องพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราไม่สามารถเฝ้าดูการกระทำของร่างกายได้จใจจะไปคิดอดีตไปคิดอนาคต ก็ใช้พุโทโธดึงกลับมาวริกรรมพุโทโธพุธโทโธให้กลับมาสู่ปัจจุบันไม่ให้ไปคิดอดีตไม่ให้ไปคิดอนาคตมันก็จะกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันถ้ามันอยู่ที่ปัจจุบันมันก็จะเย็นจะสบายจะว่างจะไม่มีเรื่องราวต่างๆไม่มีความคิดปนแต่งนี่คือวิธีสร้างสติด้วยกรรมฐานที่มีอยู่หลากหลายชนิดด้วยกัน ขึ้นอยู่กับจริตขึ้นอยู่กับสภาวะสถานที่หรือขณะที่กํากลังทำอะไรอยู่กำลังทำกิจกรรมอาจจะไม่เหมาะกับการดูลมหายใจเข้าออกเพราะลมนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดเวลาทำงานนี้จะมาดูลมนี่มันยากสู้ดูการทำงานของร่างกายมันง่ายกว่าถ้าอยากจะดูลมก็ดูตอนที่นั่งเฉยๆร่างกายไม่ได้ทำอะไร ตอนนั้นจะเห็นนมได้ชัดแล้วจะได้มีเครื่องผูกใจดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อใจไม่คิดแล้วใจก็จะไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากใจก็จะเย็นใจก็จะสบายใจก็จะมีอุเบกขาเวลาไปเจอเหตุการณ์อะไรก็จะเฉยๆได้เจอฝนตกก็เฉยได้ฝนตกอย่างมากมันก็ทาให้เราเปียก เีรกก็เปียกแล้วก็อาบน้ําทุกวันไม่เห็นจะเดือดร้อนตรงไหนเสื้อผ้าเราก็ต้องซักมันอยู่ทุกวันเสื้อผ้าก็ต้องเปียกร่างกายเราก็ต้องเปียกอยู่ทุกวันทําไมพอเจอฝนในวิ่งกันจ้าละวันทําไมไปวุ่นวายกับการไปนั่งตากฝนถ้าต้องตากฝนก็ปล่อยตากไปก็คิดว่าเป็นเวลาซักผ้าเวลาอาบน้ําไปก็หมดเรื่องถ้าเรารู้จักคิดแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดนี้ เราจะไม่ทุกกับมันเลยแมถ้าเราต้องนั่งอยู่กลางแดดก็ให้คิดว่าร่างกายของเรามันก็สักวันหนึ่งเหมือนก็ต้องเป็นซากศพเป็นซากศพก็ต้องไปทิ้งไว้ในป่าชา้าไม่ทิ้งไว้ในป่าชา้าเขาก็เอาไปเผาเผาก็ต้องมีไฟเผามันตอนนี้เรานั่งอยู่กลางแดดก็คิดว่าร่างกายนี้มันเป็นซากศพกำลังถูกแดดเผา อย่างมากมันก็แห้งกรอบตายไปท่านั้นเองซึ่งมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ใช่เหรอมันจะไปอยู่ได้คำฟ้าที่ไหนสักวันหนึ่งร่างกายมันก็ต้องกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปนี่คือการใช้ปัญญาที่จะทำให้ใจของเรนี้มีอุเบกขาได้ตลอดเวลาไม่หวั่นไหวไม่วุ่นวายกับสภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ร่างกายของเราจะต้องไปพบ และใจของเราจะพบได้อย่างไม่เดือดร้อนเพราะผู้ที่ไปพบนั้นไม่ใช่ใจผู้ที่ไปเจอเหตุการณ์จริงๆก็คือร่างกายใจเป็นเพียงแต่ไปตามไปดูเท่านั้นเองใจไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรับกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้ไปถูกผลชะเปียบไม่ได้ไปเจอความร้อนผู้ที่เจอความร้อนก็คือร่างกาย ใจเป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้ดูแต่ไม่รู้ไม่ดูด้วยอุเบกขาก็ไปรู้ไปดูด้วยตัณหาความอยากก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอฝนตกก็ไม่อยากให้เปียกพอแดดออกก็ไม่อยากให้ร้อนมันก็เลยเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าควบคุมใจว่าร่างกายมันจะเปียกก็เรื่องของร่างกาย เปียกก็ให้มันเปียกไปร้อนก็ให้มันร้อนไปแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจนี่คือการทําใจด้วยการภาวนาด้วยการเจริญสติเพื่อทําใจให้หยุดความอยากเมื่อหยุดความอยากด้วยสติแล้วขั้นต่อไปก็ให้ใช้ปัญญาทําลายความอยากให้หายไปหมดเพราะสตินี้ทําลายไม่ได้สติเพียงหยุดพอหยุดคิด ตัณหาก็หยุดแต่พอเริ่มคิดตัณหาก็จะตามมาใหม่แต่ถ้าใช้ปัญญานี้ปัญญาจะทําลายตัณหาความอยากให้หมดไปด้วยการพิจารณาว่าใจเป็นเพียงผู้รู้ใจเป็นเพียงผู้ที่มาดูเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เป็นผู้ที่มารับกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พูดง่ายๆผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือร่างกาย ผู้ที่จะแก่ผู้ที่จะเจ็บผู้ที่จะตายก็คือร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายใจเป็นผู้รู้ก็ให้รู้เฉยๆไปให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้ด้วยปัญญารู้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เราเป็นเหมือนผู้นั่งดูภาพยนตร์ร่างกายนี้เป็นเหมือนตัวแสดงภาพยนตร์ก็ปล่อยให้ตัวแสดงภาพยนตร์มันเป็นไปตามเรื่องของมัน มันจะเป็นอะไรก็เป็นที่ตัวแสดงคือที่ร่างกายมันไม่ได้เป็นที่คนดูคนดูคือใจไม่ได้เป็นอะไรพอหนังจบคนดูก็ออกจากโรงไปทิงให้ร่างกายมันอยู่กับภาพยนตร์ไปเวลาร่างกายตายไปก็เหมือนหนังจบเรื่องหนึ่งใจก็ออกจากโรงภาพยนตร์แล้วก็ไปหาโรงภาพยนตร์ใหม่ดูไปหาตัวแสดงใหม่แสดง ไปได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายแล้วก็ไปทุกข์ไปวุ่นวายไปเดือดร้อนกับร่างกายเวลาที่ร่างกายไปเจอสิ่งต่างๆนี่คือการใช้ปัญญาแยกใจออกจากร่างกายว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ใจจะรู้ดูอย่างไม่สะทกสะทานอย่างไม่วุ่นวายก็ต้องมีอุเบกขา คือใจต้องนิ่งต้องสงบแล้วนิ่งจะสงบก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาเวลาเกิดตัณหาจะทําให้ใจไม่นิ่งก็ใช้ปัญญาเข้ามากําจัดว่าว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทําให้ใจเราวุ่นวายถ้าเราไม่อยากวุ่นวายเราก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากให้สิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราเป็นตัวเราให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากใหนน้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของเรา เขาจะเป็นก็เป็นไปเขาดีเขาก็ไม่ได้ทำให้เราดีเขาเชื่อเขาก็ไม่ได้ทำให้เราเชื่อแล้วเราไปอยากให้เขาดีอยากให้เขาชื่อแล้วไปวุ่นวายใจกับความอยากให้เขาดีให้เขาเชื่อทำไมได้ประโยชน์อะไรก็ได้แต่ความวุ่นวายใจเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของปัญญาต้องแยกใจออกจากทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ต้องให้รู้ว่าใจเป็นเพียงผู้สังเกตการเป็นเพื่อนเป็นผู้ดูเหตุการณ์ต่าง ที่เกิดขึ้นทางร่างกายแต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายและก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้ร่างกายถ้ามันถึงเวลาที่จะต้องรับเคาะมันก็ต้องรับเคราะไปถึงเวลาที่มันจ ะ, ะได้ดิบได้ดีมันก็ได้ดิบได้ดีไปแต่มันก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจ ใจไม่ได้เสียไม่ได้ไม่เสียกับการได้การเสียของร่างกายร่างกายได้มาเท่าไหร่ใจก็ไม่ได้อะไรกับร่างกายร่างกายเสียอะไรไปเท่าไหร่ใจก็ไม่ได้เสียไปกับร่างกายนี่คือปัญญาที่จะสอนให้ใจนี้เป็นอุบเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ให้หยุดความอยากต่างๆได้แล้วพอหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะไม่มีควัน ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากเกิดจากกามตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาถ้ามีสติมีปัญญาก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดไปได้ดังนั้นถ้าเรายังมีความอยากอยู่ยังมีความวุ่นวายใจยังมีความไม่สบายใจ มีความเดือดร้อนวุ่นวายมีความกังวลความห่วงใ ย, ยมีความหวาดกลัวอาการเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากความอยากของเราทาั้งนั้นเราสามารถรักษาอาการเหล่านี้ให้หายไปจากใจได้ด้วยการภาวนาด้วยการเจริญสติให้มากๆแล้วหาเวลานั่งสมาธิให้ม า, มากๆเพื่อทาใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งให้เป็นอุบเบกขาให้ได้ แล้วเมื่อได้แล้วก็ให้มันได้นานๆทำให้มันชำนาญทำให้มันบ่อยๆจนมีอุเบกขาอยู่เกือบตลอดเวลายกเว้นเวลาที่ออกจากสมาธิมาพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาเป็นตัวรักษาอุเบกขาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็คอยกาจัดมันให้รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์ให้วุ่นวายทำให้เราสูญเสียอุเบกขาความ ความนิ่งความสงบของใจเราต้องรักษาความนิ่งความสงบด้วยการทำลายตัวที่จะมาทำลายความสงบก็คือความอยากต่างๆก็ อ, อยากจะทำอะไรก็อยากไปทำถ้ายังไม่ถึงเวลาถ้าถึงเวลาทำเพราะความจาเป็นทําเพราะหน้าที่ก็ทำไปได้เช่นเวลาให้อาหารร่างกายเมื่อถึงเวลาก็ให้มันแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็อยากไปให้มัน ถึงเวลาต้องให้น้ำก็ให้น้ำร่างกายได้แต่ไม่ต้องให้น้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสเพราะอันนั้นมันเป็นการให้ตามความอยากเวลาเราดื่มน้ำนี้เราดื่มเพื่อร่างกายแต่ความอยากของเรามันขอ ม, มีส่วนด้วยเดื่มน้ำเปล่าๆมันไม่อร่อยต้องมีรสมีสีมีกลิ่นอันนี้ดื่มด้วยความอยากถ้าเราอยากจะดื่มโดยไม่มีความอยากเราก็ยืมดื่มน้าเปล่าๆ ถ้าเราอยากจะดื่มด้วยความอยากเราก็ต้องดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสแล้วก็จะทำให้เราติดแล้วพอเวลาที่เราอยากดื่มแล้วไม่ได้ดื่มเราก็จะทุกข์นี่คือเรื่องของการกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจขั้นต้นทำด้วยการหยุดความอยากด้วยสติให้จิตเป็นอุเบกขาแล้วความอยากต่างๆก็จะหยุดทางาน แต่พอออกจากสมาธิมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาเป็นทูตทำลายปัญญาก็คือให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าการทำตามความอยากจะทำให้เกิดความทุกข์เพราะสิ่งที่ได้มานี้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเวลาหมดไปก็เสียใจทุกข์ใจแล้วก็เกิดความอยากได้ใหม่สิ่งใหม่มาทดแทน ก็ต้องหาไปเรื่อยๆได้มาก็ดีใจเสียไปก็เสียใจก็ยังหนีไม่พ้นความทุกข์อยู่ถ้ายังทําตามความอยู่อยากอยู่และขณะในขณะที่เริ่มอยากก็มีความทุกข์แล้วพอมีความอยากปั๊บความสงบก็จะหายไปความกังวลกังวายความกระสับกระส่ายก็จะเกิดตามมาอยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องไปทําตามความอยาก แต่ถ้ากำจัดความอยากได้ก็จะสามารถอยู่เฉยๆต่อไปได้อันนี้คือเรื่องของการมาฝึกใจทำใจกันปรับใจกันให้สามารถรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้ทุกเหตุการณ์รับกับสภาพทุกสภาพนะเพราะเราอยู่ในโลกที่มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ แต่เราสามารถที่จะอยู่กับทุกเหตุการณ์อยู่กับทุกสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุขถ้าเราไม่มีความอยากให้สภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนีน้ปล่อยให้มันเป็นไปมันเป็นอย่างไรก็เอามันอย่างนั้นมีอะไรก็เอามันอย่างนั้นแล้วเราจะมีความสุขไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนใจไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งต่าง ความหลงมันหลอกมาให้ใจมาหลงคิดว่าจะต้องพึ่งเหตุการณ์พึ่งบุคคลพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ความจริงใจนี้ไม่ต้องพึ่งอะไรถ้าใจมีความสงบแล้วใจจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสงบเมื่อมีความสงบแล้วก็เลิกพึ่งสิ่งต่างๆได้ไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องอาศัยลาบยศสรรเสริญ ไม่ต้องอาศัยคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ไม่ต้องอาศัยร่างกายเมื่อไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ที่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะใจยังต้องอาศัยลาบยศสลดเสริญอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอาศัยร่างกายอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายพอร่างกายอันนี้ตายไปก็เลยต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะได้มาหาราบยนต์สรรเสริญมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่มันก็วนกันเวียนอยู่อย่างนี้ไปที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะความอยากต่างๆนี้เองที่ทำให้ใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะใจไม่มีความสุขในตัวเองไม่มีความสงบ พ, พอเรามาภาวนามาทำใจให้สงบได้มีความสุขในตัวเองก็เลิกหาความสุข จากราบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภาจากการมีร่างกายได้เราก็ยุติการกลับมาเกิดได้เมื่อยุติการเกิดก็จะยุติการแก่การเจ็บการตายยุติความทุกข์ทั้งปวงได้หมดนี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านยุติการกลับมาเกิดได้แล้วแต่ใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนกับใจของพวกเราเพราะใจไม่มีวันตาย ใจมีที่อยู่ที่เรียกว่าในโลกทิพย์ในโลกทิพย์นี้ก็มีหลายระดับหลายชั้นชั้นที่มีความสุขเต็มร้อยก็เรียกว่า น, นิพานชั้นที่มีความสุขชั่วข้าวก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นที่มีความทุกข์ก็เรียกว่าอบายนี่คือโลกทิพย์ที่ใจของพวกเราอยู่กันใจของพวกเราทุกดวงไม่มีวันหายเพียงแต่ว่าจะไปอยู่ในชั้นไหนนั้นจะไปอยู่ชั้นอบายไปอยู่ชั้นสวรรค์ เลือไปอยู่ชั้นนิพพานอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทําการปฏิบัติของพวกเราดัางนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคําสอนเชื่อพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายแล้วพยายามปฏิบัติตามคําสอนของท่านแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรและจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปอย่าง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 อิทิตังปฏติตังตุมหังเขปะเมวะสะมิจตุสะเพโพเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวัตวันตรายสุขีทีขายุโกภวะ อภีวาทนาสีฤทธสาิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวะทานติอายุวันโอสุขงงังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถาม ก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติการถามตอบถ้าไม่มีใครถามตอนนี้ก็ให้คำถามทางบ้านที่พิธีกรจะนำมาถามต่อไปคำถามจากทางบ้านจากคุณโจภากรถ้าตั้งใจฝึกสมาธิแล้วควรฝึกเพื่อเป็นพระสายสุวิปัสโก ทางเดียวเลยหรือไม่หรือฝึกสายอื่นด้วยดีครับมันมีทางเดียวสายมากแปดไม่มีทางอื่นมันต้องมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาพอมีสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาเพื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจมันก็จะทาให้เราหนุดพ้นกันคำถามจากคุณอาจ ผมภาวนาโดยการบริกรรมพุทธโธบางทีก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโรบางทีก็พุทธโธตามการขยับของร่างกายพอพุทธโธไปได้สักพักมันจะมีความคิดเหมือนปัญญาผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะแล้วมันทำให้ผมอยากคิดตามยกตัวอย่างเช่นบริกรรมอยู่ก็มีความคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นธาตุประมาณนี้แต่มีเยอะกว่านี้ ผมก็พูโทรบ้างสลับไปคิดบ้างแต่ผมตั้งใจจะไม่เอาความคิดนี้วงเล็บความคิดที่คิดว่าเป็นปัญญามาคิดต่อแต่อีกใจหนึ่งก็นึกเสียดายกลัวตัวเองจะไม่ได้ปัญญาแต่ฟังเทศพระอาจารย์บอกว่าปัญญาต้องมีสมาธิเป็นฐานรองรับผมเลยตั้งใจว่าจะยอมโง่จนถึงสิ้นปีเพราะมาคิดตามความคิดข้างต้นนี้มานานรู้สึกว่าไม่มีอะไรก้าวหน้าเลย เมื่อความคิดที่คิดว่าปัญญาเกิดขึ้นก็จะไม่เอามาสารต่อความคิดจะเอาแต่พุโทโธอย่างเดียวพอเริ่มบริกรรมมันมีความคิดขึ้นมาอีกว่าถ้าเอาพุโทโธอย่างเดียวจะได้อะไรผมจึงตัดความคิดนี้และไม่เอามาเป็นอารมณ์แล้วแล้วแต่ว่าจะคิดยังไงก็ช่างจะเอาแต่พุโทโธอย่างเดียวเพราะผมฟังเทศหลวงตาเป็นประจำ แล้วชอบคิดตามที่หลวงตาเทศอย่างเช่นเรื่องอสุภะเรื่องจิตเรื่องตรายักษณ์แต่คิดเท่าไหร่ก็เหมือนยังอยู่ที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมคำถามข้อที่หนึ่งถ้าผมตั้งใจจะพุโทโธแบบเรื่องพระอาจารย์มั่นสอนโดยใช้อุบายว่าพุโทโธหายให้ชาวบ้านช่วยตามหาพุโทโธชาวบ้านเขาก็ไม่รู้เรื่องธรรมมากเขาก็บริกรรมแบบซื่อๆไป ความคิดดีหรือไม่ดีไม่เอาสักอย่างเหมือนโลกนี้มีแต่พูดโธไม่มีเรื่องอื่นเลยถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกทางไหมครับก็ลองทําดูสิก็เป็นทางที่เขาสอนให้ทำอยู่แล้วคำถามถูกไม่ถูกก็ดูที่ผลก็แล้วกันคําถามข้อที่สองตอนพระอาจารย์เริ่มปฏิบตัติพระอาจารย์เริ่มอย่างไรและ อุปสรรคตอนเริ่มแรกของพระอาจารย์มีแบบไหนและพระอาจารย์แก้วิธีไหนครับไปอ่านหนังสือประวัติของเราดูก็แล้วกันนะในหนังสือมาเศรษฐีได้เขียนประวัติเล่าให้ฟังอยู่คำถามจากคุณรุ่งขอคำแนะนำการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับแม่ที่ติดเล่าเห็นสภาพแล้วใจเกิดลังเกียดขัดแย้งในใจตลอดเวลา พยายามไม่มองเขาเวลาเมาเวลาเขาเมาแล้วไม่ดูแลจะบาปมากไหมคะเขาเป็นแม่เราอนะ่ะเวลาเราเป็นลูกเวลาเราขี้ลาดเราทําอะไรเขาก็ดูแลเราเพราะเขาเป็นแม่เราเขาเขาทําอะไรที่เราต้องดูแลเราก็ต้องดูแลกันทดแทนบุญคุณกันจะไปลังเกียดได้ไงเวลาเขาเลี้ยงเราเขาลําบากกับเราม า, มามากน้อยเพียงไรเขาก็ลําบากได้ พอเขาเมาเล่าหน่อยเราก็ไปลังเกียดเขาอันนี้มันก็เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเป็นการขาดขาดความเมตตาขาดความกตัญญูกตวเวทีดงนั้นเราต้องพยายามลำเลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ตลอดเวลาว่าการที่เรามีตัวตนอยู่ได้จนบัดนี้ก็เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาให้กำเนิดเรามาพระคุณของท่านนี้ล้นหลาม พระพุจาก็บอกแล้วว่าต่อให้เราเลี้ยงดูท่านดีขนาดไหนแบกท่านไว้บนบาบนไหลให้ท่านอุจจระปั ส, สวะลาใส่เราบุญคุณที่ท่านมีกับเราเราก็ยังใช้ไม่หมดดังนั้นให้เราลำลึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะทําให้เราไม่ลังเกียจจะทําให้เรายินดีดีใจว่าเราได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณเพราะว่าท่านท่านสุขท่านสบายท่านไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณ คำถามจากผู้ฝากถามหนูมีลูกชายอายุ17ปีอยู่ม .5 ตอนนี้ติดเพื่อนติดกัญชาหนักมากพ่อกับแม่กลุ้มใจมากลูกดื้อมากพูดคุยทุกอย่างแล้วไม่ฟังไม่เอาอะไรเลยโดดเรียนจนจะไม่มีสี์สอบรบกวนขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะก็ต้องจับไปในประเทศไปอยู่ที่ไหนไที่เขาไม่สามารถที่จะไปติดต่อกับใครได้ จะไปปล่อยเกาะสักพักก็ได้ไปอยู่ที่ไหนที่สมัยก่อนเขาก็มีโรงเรียนดัดสันดานไปอยู่โรงเรียนกินนอนกันไปอยู่ที่มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทำอะไรก็มีมีคนคอยดูแลมีเวลาให้ทำสิ่งต่างๆยังไม่มีเวลาว่างที่จะไปมั่วซั่วกับเพื่อนฝูงต้องต้องเปลี่ยนสถาน สถานที่อยู่ที่อาศัยของเขาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสถานที่สัปปายะเป็นสถานที่ทำให้เขาเสื่อมอควรจะเปลี่ยนสถานที่อยู่ให้เขาใหม่ส่งไปอยู่ตามโรงเรียนกินนอนอแล้วก็จะได้มีวินัยะจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่จะเป็นตัวปั้นให้เขาเป็นคนดีขึ้นมาได้ เดี๋บางคนก็ามาจับจับมาบวชเ น, นี่มันก็อยู่ที่ตัวเขาเองล่ะ ว, ว่าถ้าเขามาบวชถ้าตัวเขาไม่ดีเดี๋ยวเขาก็สร้างความเสียหายให้กับสถานที่ที่เขาไปอยู่เพราะความจริงวัดก็ไม่ได้เป็นที่ที่จะมาคอยจะคอยมาดัดสันดานเด็กวัดนี้เป็นที่ให้ผู้มีศรัทธาที่อยากจะมาศึกษามาปฏิบัติ ถ้าเอาคนไม่ดีมาอยู่บังคับมาอยู่เดี๋ยวเขาก็ม า, าทำผิดศีลผิดธรรมมาทำความเสียหายให้แก่วัดวาให้เสื่อมเสียได้เช่นติดยาก็มาสูบยาในวัดอย่างนี้เพราบางทีวัดก็ไม่มีคนที่จะมาคอยควบดควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะแทนที่จะเป็นคุณกับจะเป็นโทษทั้งกับตนเองและกับสถานที่ที่เราไปอยู่ด้วย ดัง น, นั้นเราเป็นพ่อแม่ตอนนี้เราต้องสละเวลาของเรามาให้กับลูกแล้วเราต้องคอยควบคุมเขาอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดจากสายตาต้องให้เขาอยู่ภายใต้การดูแลถ้าไม่ของเราก็ต้องของครูของผู้ใหญ่แล้วต่อไปเขาก็จะดีขึ้นมาได้ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาก็ ปล่อยให้เดินไปตามเวรตามกรรมในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงเขาได้เขาก็ยังคงจะต้องไปสู่คุกตารางไปสู่ความตายอย่างแน่นอนอันนี้เป็นหนทางของผู้ที่ออชอบการทำความชั่วต่างๆ อ, อ, นะอันนี้มีข้อเดียวออสองข้อ อ่ทางนี้มีเดี๋ยวให้ทางนี้ถามหน่อยอขอการณนถามอาจารย์ค่ะคือเวลาที่เราเจอปัญหาที่ค่อนข้างจะหนักหนักติดติดกันเนี่ยบางทีพอจบปัญหาแรกไปมันเหมือนยังไม่ฟื้นไข่อะคะ่ะมันยังไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับปัญหาต่อไปเราจะมีวิธีปรับปรุงยังไงนะคะปัญหามันเราไม่ต้องไปต่อสู้มันเราก็ปล่อยมันให้มันปัญหาไปเราไม่ต้องไปแก้มัน ปล่อยมันไปตามมีตามเกิดอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างมากก็แค่ตายให้คิดอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรปัญหาของเราคือยังไม่ยอมตายยังไม่ยอมที่จะรับรับปัญหาต้องการกาจัดมันมันก็เลยเหนื่อยถ้าไม่มีกำลังที่จะกาจัดมันก็ปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างมากก็แค่ตายให้คิดอย่างนี้ ปัญหาทั้งโลกแก้ท่า่มันไม่มีวันหมดมันมีบ้าให้มาแก้อยู่เรื่อยๆเพราะปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้พอไม่ได้มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาถ้าเราตัดความอยากเสียมันก็ไม่เป็นปัญหามันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปก็เท่านั้นเองไม่รู้จักปล่อยวาง ง่ายจะตายเป็นปัญหาต่างๆปล่อยมันไปมันปล่อยให้มันไปมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปฝนตกจะไปห้ามมันไม่ให้มันตกได้ไงฝนมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปเราก็จะไม่เครียดถ้าอยากจะให้มันไม่ตกเราก็จะเครียดอย่างวันนี้ถ้าไปอยากว่าว่าไม่อยากให้ฝนตกเดี๋ยวไม่มีที่นั่งกันมันก็จะเครียดกันแต่ถ้าปล่อยมันตกก็ตกไปเปียกก็เปียกไปมันก็มันก็ไม่มีปัญหาเลย ถ้าฟังไม่ได้ก็กลับบ้านกันไปไปฟังในบ้านฟังในรถก็ได้เดี๋ยวนี้มีถ่ายทอดสดอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นั้นปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีน้พอไม่เป็นก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอย่างพ่อแม่ที่มีลูกที่ไม่ดีก็เป็นปัญหาขึ้นมาอยากจะให้ลูกดีแต่เราต้องรู้ว่าคนเหล่านี้มันมีทั้งดีมีทั้งชั่ว นั้นเขาจะมีคุกตารางไว้ทำไมคุกตารางก็มีไว้เก็บคนชั่วที่เราเปดันไปได้ลูกที่มันเป็นคนชั่วก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราทำใจได้ก็ปล่อยมันมันอยากจะไปมั่วกับเพื่อนก็ปล่อยไปมันอยากจะไปเสพยาก็เสพไปให้มันถูกตำรวจจับเร็วๆจะได้สบายจะได้ให้ตำรวจไปดูแลแทนให้คุกตารางดูแลแทนนี่นละโรงเรียนดัดสันดานที่ดีที่สุดก็คือคุกตารางนั่นแหละ อช่ไหมอ่เาเวลาที่ความเชี่ยวชาญในการใช้ปัญญาค่ะพระอาจารย์ว่าว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้จางจะใช้ปัญญาด้านไหนในการพี่จะทิจรารณาอันนี้จางก็ได้ทุบขังก็ได้อนาตตาก็ได้อันนี้จางก็ไม่มีอะไรแน่นอนไม่ใช่นะไม่มีอะไรดีไปตลอดไม่มีอะไรเลวไปตลอดนะมันก็มีขึ้นมีลงมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอมันเปลี่ยนมแเราไม่ยอมรับก็เป็นปัญหาขึ้นมา พอเรารับว่ามันเปลี่ย น, ม, นมันต้องเปลี่ยนมันเป็นอ น, นิจจังมันก็ไม่เป็นปัญหาขึ้นมาจะมองเป็นอ น, นัตตก็ได้ว่าเราไปทําอะไรไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันก็เป็นอนัตตาจะเป็นทุกขังก็ได้ตอนนี้เราเครียดเราทุกข์ก็เพราะว่าเราเนี่ย <elsewhere> ม <ied S 1> ันเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ทุกข์เพราะเราไปยุ่งกับมันกเพราะไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเราก็หายทุกข์จะดูด้านไหนก็ได้สามด้าน หรือเพราะว่ามันทุกข์ก็ได้ดูเพราะว่ามไม่เที่ยงก็ได้หรือเพราะว่ามันเป็นอนัตตาก็ได้มันก็จะปล่อยได้อบคุณา่าต่อไปก็ให้คําถามทางบ้านที่กําลังถ่ายทอดสดอยู่นี่ถามเข้ามาได้ตอนนี้มีกี่คนแล้วเนี่ยร้อยแปดสิบเก้าค่ะครั้งแรกเท่าไหร่คลิปแรกครับครั้งแรกเกือบสามร้อยค่ะเกือบสามร้อยอ่า ถามมาเลยคำถามจากคุณเท่ารงเวลาสวดมนต์แล้วสติไม่อยู่กับตัวคอยแต่ฟุ้งไปคิดอดีตเห็นภาพคนอื่นแต่ปากสวดมนต์ไปไม่รู้แก้อย่างไรพระอาจารย์แนะนําหน่อยครับก็ต้องหมั่นสร้างสติขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่มามาสร้างสติตอนที่เราสวดมนต์เพียงอย่างเดียวต้องสร้างแต่ตื่นขึ้นมาเลย พอลืมตาขึ้นมาใจมันจะลอยไปคนไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ใช้พุโทโธดึงเอาไว้ดึงมันไว้ให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับการงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราหมั่นดึงไว้เรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่ไปมันก็จะอยู่กับการสวดมนต์ได้คำถามจ้าคุณแอมค่ะอยากทราบว่าถ้าพ่อแม่พาเด็กๆไปวัดตั้งแต่เล็กๆแต่บางครั้งเด็กก็เสียงดัง การลบควร ผ, ผู้อื่นที่มานั่งภาวนาจะบาปมากไหมคะพ่อแม่หรือเด็กที่จะบาปมากกว่ากันมันไม่บาปแต่มันไปทำลายกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นบุญเป็นกุศลแต่พอมีเสียงรบกวนมันก็จะทำให้ฟังแล้วฟังไม่ได้อัทรสฟังไม่ได้ปัญญาฟังไม่ได้ความสงบ มันก็เลยทำลายกุศลอันพึงจะเกิดไม่ให้เกิดขึ้นมาการจะพาเด็กไปวัดนี้เราต้องรู้จักการละเทศะควรจะรู้ว่าเวลาใดพาไปเวลาใดไม่ควรพาไปวัดบางวัดนี้เขาไม่ต้องการความสงบก็พาไปได้วัดบางวัดนี้เขาชอบสวดชอบอะไรกันส่งเสียงออกทึกกันก็ไปที่วัดที่เขาไม่ต้องการความสงบ แต่ว่าที่ต้องการความสงบก็ถ้าเราไม่สามารถควบคุมเด็กให้อยู่ในความสงบได้ก็ไม่ควรพาไปต้องรู้จักการละเทสารอ่าใครอยากถามต่อถามจะคุณพาคินค่ะรักษาศีนอุโบสถอยู่บ้านฟังธรรมะจากวิทยุได้ไหมครับได้คำว่าศีนอุโบสถก็คือศีนแปดนี่เองที่เ็าเรียกว่าศีลอุโบสถเพราะว่าเราไปรักษาที่พระอุโบสถกัน ธรรมดารักษาศีลแปดที่บ้านมันยากเพราะว่าคนที่บ้านเขาไม่รักษาด้วยกับเราเดี๋ยวก็กินข้าวเย็นเดี๋ยวก็เปิดทีวีดูดีไม่ดีเดี๋ยวก็ชวนไปนอนด้วยอันนี้ก็จะทำให้เรารักษาศีลแตดได้ยากเราจึงต้องไปรักษาศีลที่พระอุโบสถไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยในพระอุโบสถในพระมีแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะไม่ชวนเรากินข้าวเย็นจะไม่ชวนเราดูหนังฟังเพลง ไม่ชวนเราไปหลับนอนด้วยแล้วเข้าถึงนิยมไปรักษาศีลแปดที่พระอุโบสถเขาก็เลยเรียกว่าเป็นศีลอุโบสถไปแต่ความจริงก็คือศีลแปดดีๆนี่องรักษาที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีกําลังที่รักษาถ้าเรามีสติพอที่เราจะผืนสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจต่างๆได้ก็รักษาไปแต่มันสู้ไปรักษาที่ไม่มีอะไรมาคอยยั่วยวนกวนใจมันจะง่ายกว่ามันจะสบายกว่า เหมือนกับขับรถบนทา ง, ทางด่วนกับขับรถบนบนถนนที่มีรถติดมีไฟแดงนี่ทางไหนมันจะสะดวกกว่ากันจะสะบายกว่ากันกับรถบนบนทางด่วนแป๊บเดียวก็ถึงลถ้าขับรถบนที่ถนนที่มีรถมากมีรถติดมีมีไฟแดงไฟอะไรนี้กว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางก็นานและยากอย่างถ้าขึ้นทางด่วนได้ไปขึ้นทางด่วนดีกว่าแั๊บเดียวก็ถึง การขึ้นทางด่วนก็คือไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในศาลที่ที่ไม่มีใครมาบรบกวนการรักษาศีลของเราแล้วดูทีวีรายการธรรมะได้ไหมครับถ้าปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปดูอะไรทั้งนั้นเนี่ยตัดทิ้งไปให้หมดทํามกธรรมะหนังสือธรรมะก็ไม่ต้องดูช่วงปฏิบัตินี้ไม่ต้องไปดูเลยฟังมาพอแล้วอ่านมาพอแล้วการอ่านการฟังนี่มันเป็นเรื่องของปริยัาตเป็นการศึกษา ศึกษาเพื่อให้รู้จักแนวทางของการปฏิบัติเมารู้แล้วช่วงปฏิบัตินี้ไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องฟังหรือถ้าจะฟังก็ได้ดูก็ได้แต่อย่าให้มันมากเกินไปให้พอมีอะไรคอยเตือนใจแล้วก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าไปเป็นช่องของกิเลสเดี๋ยวมันขอเอามือถือไปด้วยอ้างว่าจะไว้ฟังเทศฟังธรรมพอเปิดปั๊บมันไปเช็คลายนก่อนแนละ้ว ไปเช็คอีเมลก่อนนะอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปเปิดมันเอาหนังสือธรรมะไปก็ได้อ่านหนังสือธรรมะแทนอย่าไปเอามือถือไปไปก็ต้องปิดแล้วก็อย่าไปเปิดมันถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดประตูให้กิเลสโผล่มาย่อยแยะไปหมดเดี๋ยวตัวนั้นก็อยากจะไปทางนู้นตัวนี้ก็อยากจะไปทางนั้นนั้นทางที่ดีปิดมันดีกว่าอย่าไปเปิดมัน เปลาไปเปรียกว้เวกไปปฏิบัตินี้ขอให้เราคิดว่าเราตายไปแล้วก็แล้วกันตายจากโลกนี้ไปแล้วขอลาตายไปชั่วคราว3มวันเจ็ดวันไม่รับรู้ไม่อะไรติดต่อกับใครเลยแล้วมันจะทำให้เราไม่วุ่นวายใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วจะทาให้การไปปฏิบัติของเราได้ผลไม่เสียเวลาถ้าเรายังกังวลกับเหตุการณ์กับคนนั้นคนนี้อยู่ ไปปฏิบัติเดี๋ยวก็อดคิดถึงเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องต่างๆไม่ได้เดี๋ยวก็อดที่จะเปิดมือถือไม่ได้พ อ, อปเปิดแล้วเดี๋ยวก็ไปกันใหญ่แทนที่จะนั่งสมาธิก็เลยไปนั่งดูมือถือแทนคำถามจากคุณพิชัยค่ะอวิชชาคือความไม่รู้รู้ไม่จริงเพราะไม่มีสติปัญญาอาวิชชาก็คือการไม่รู้ตาลักนี่แหละไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่รู้อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากเรียกว่ า, าวิชาพอความมีสติรู้ตัวเกิดเป็นวิชาไปรู้ทันอวิชาอาวิชาเกิดไม่ได้พิจารณาถูกต้องหรือเปล่าครับก็ถ้าถ้ารู้ตายรักก็แสดงว่ามีวิชาถ้ามีวิชาก็ก็อาวิชาก็ไม่มีวิชากับวิชามันเป็นเหรียญสองด้านหรือมืดกับแจ้ง ถ้ามันมืดมันก็ไม่แจ้งถ้ามันแจ้งมันก็ไม่มืดงั้นถ้ามีอวิชชาก็แสดงว่ามันไม่มีวิชาถ้ามีวิชามันก็แสดงว่ามันไม่มีอวิชชาถ้าเห็นตายรักษ์ก็แสดงว่าก็มีวิชาไม่มีอวิชชาถ้าไม่เห็นตายรักก็แสดงว่ามีอวิชชาพอเห็นลูกว่าเป็นลูกของเราปั๊บนี่ก็เป็นอวิชชาแล้วพอเห็นร่างกายของเราว่าเป็นตัวเราของเราก็เป็นอวิชชาแล้ว แต่ถ้าเห็นร่างกายของเราว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็เป็นวิชาถ้าเห็นว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงก็เป็นวิชาเานั้นตอนนี้เราเห็นอะไรเราเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่หรือเปล่าเห็นว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นว่ามันสุขหรือมันทุกข์อยู่ตรงนี้เห็นตรงนี้ยไม่ว่าเห็นอะไรถ้าเห็นว่ามันสุขมันเที่ยงมันเป็นของเราก็เป็นอวิชาถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราก็เป็น เป็นวิชาขึ้นมาคำถามต่อมานะคะตัวผู้รู้นี้เราต้องปล่อยด้วยหรือเปล่าครับเรามาปล่อยตัวกิเลสเท่านั้นแ่ะเรามาหยุดตัณหาความอยากต่างๆปล่อยสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขงกังอนัตตาให้หมดก็คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกร่างกายมีเพียสิ่งที่เราต้องปล่อย ตัวผู้รู้นี้เราปล่อยไม่ได้มันไม่มีที่ปล่อยไม่รู้จะไปปล่อยตรงไหนตัวรู้มันรู้ของมันอยู่ตลอดเวลาตัวรู้ไม่ได้เป็นปัญหาตัวรู้เป็นเป็นตัวรู้ที่มันที่มันเป็นปัญหาก็คือว่ามันไม่รู้ความจริงมันไปหลงแล้วมันไปยึดไปติดกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ก็เลยต้องปล่อยปล่อยสิ่งที่มันเป็นทุกข์สิ่งใดที่เป็นทุกข์เราต้องปล่อยถ้าเราไม่อยากทุกข์ เหมือนกับถ่านไฟ น, ไ น, นะ น, ไฟ น, นี่เราอยากจะไปจับมันนะถ่านไฟร้อนๆนี่เราอยากจะไปจับมันนะจับมันแล้วมันก็ไหม้มือเราฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเหมือนถ่านไฟแดงๆที่ร้อนจับแล้วก็จะเผามือเราจะไหม้มือเราฉันใดสิ่งที่ใจไปแตะมันก็เป็นเหมือนถ่านไฟราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ ร่างกายขันห้านี้เรียกว่าเป็นไฟทั้งนั้นเป็นก้อนไฟเราต้องปล่อยเราอย่าไปจับมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปหาราบยึดสเสริญอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปยึดติดกับร่างกายต้องปล่อยปล่อยแล้วจะไม่ทุกข์ปล่อยแล้วจะสบายเหมือนกับปล่อยถ่านไฟร้อนๆจะไปจับมันมันก็ไมหม้มือเราทําให้เจ็บทให้เราเจ็บ ถ้าเราปล่อยมันก็จะไม่ไม่เราก็จะไม่เจ็บคำถามจากคุณดิธการค่ะเวลาทำบุญควรจะขออะไรครับขอบุญเนี่ยจไปขออะไรทำบุญก็เพื่อขอบุญนะขอให้ได้บุญเยอะๆบุญก็คือความสุขใจวิธีสร้างบุญก็มีสามขั้นทำทานรักษาศีลภาวนาต้องทำไล่ขึ้นไป อย่าไปกระโดดชั้นเพราะกระโดดเราจะทําไม่ได้จะตกลงมาถ้ายัางทําทานไม่ได้ยังก็จะรักษาศีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้ต้องทําทานให้ได้ก่อนทําทานได้ก็จะรักษาศีลได้รักษาศีลได้ก็จะภาวนาได้คําถามจาคุณมัคคาค่ะการบริกรรมจะใช้คําอื่นได้หรือไม่ครับเช่นนโมพุทธายะ ได้อย่างที่เมื่อกี้เต้ได้ฟังจะสวดอิติปิโสก็ได้สวากขาโตออกไปก็ได้สุปฏิปันโนก็ได้อะไรก็ได้ตายตายตายก็ได้ท้าว่าตายตายตายวันนี้จะต้องตายวันนี้จะต้องตายสวดไปอย่างนี้ก็ได้เรียกว่ามรณะนุสติมีหลายวิธีด้วยกันขอให้เราสวดแล้วทําให้ใจเราไม่ไปคิดวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆก็ใช้ได้ทั้งนั้นจะนับหนึ่งสอสาไปก็ได้ถ้ามือ นับหนึ่งสองสามไปถึงสองพันสองแสนสองล้านเนียนับไปเรื่อยๆไม่ไปคิดถึงเรื่องอะไรใจก็นิ่งใจก็เย็นได้คำถามฝากถามนะคะอยากให้พระอาจารย์เทศจบการอยู่เป็นโสดกับการมีคู่ครองอย่างไหนดีกว่ากันคะของนี้ไม่น่าถามเลยแเหมือนก็รู้กันอยู่แล้วว่า คืออย่างนี้มันมันมันเป็นสุขทั้งสองอย่างแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งสองอย่างการมีคู่ครองนี้เขาเรียกว่าสุขต้นทุกข์ปลายการมีอยู่คนเดียวนี้มันเป็นทุกข์ต้นแต่สุขปลายเข้าใจไหมคือถ้ามีคู่ครองนี้มันก็มีสุขเวลาแต่งงานกันเวลาเจอกันพบกันแต่พออยู่กันไปแล้วเดี๋ยวก็ทะเลาะกันหยากัรตายจากกัน พอจากกันก็ทุกใจทุกปลายสุกต้นแต่ทุกปลายส่วนการอยู่คนเดียวนี่ก็ทุกตอนต้นเพราะต้องสู้กับความเหงาความว้าเวต่างๆพอเราชนะความเหงาความว้าเวได้ทำใจให้สงบได้เราก็จะสุขไปตลอดอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องมาร้อ ง, องห่มร้องไห้เวลาที่เขาต้องตายจากเราไปหรือว่าเวลาเวลาเขาทิ้งเราไปไปหาคนใหม่ อันนี้ก็เป็นความสุขสองรูปแบบสุขต้นกับทุกปลายหรือจะยอมทุกต้นแล้วสุขปลายอันไหนจะดีกว่าสุขปลายมันย่อมดีกว่าเพราะว่าเวลาเกิดความสุขตอนปลายแล้วความทุกตอนต้นก็หายไปหมดเช่นเดียวกับความความทุกตอนปลายพอมันทุกตอนปลายแล้วความสุขตอนต้นก็หายไปหมดนั้นการมีคู่ครองนั้นจะเป็นความทุกข์ เรามันจะต้องไปเจอความทุกข์ในตอนสุดท้ายแต่การอยู่คนเดียวนี้มันจะไปเจอความสุขในตอนสุดท้ายตอนที่เราชนะความความความเหงาความว้าเหวของเราได้แล้วเราก็มีเครื่องมือที่จะทําได้ก็คือการปฏิบัติธรรมการภาวนาถ้าเราสามารถทําใจของเราให้สงบได้ใจของเราก็จะหายจากความเหงาความว้าเหวต่างๆและอยู่คนเดียวอย่างมีความสุข เราจะรู้ว่าอยู่คนเดียวนี่ดีกว่าอยู่สองคนอยู่สองคนแล้วเดี๋ยวมันต้องมีเรื่องแน่แน่เดี๋ยวก็ต้องทะเลาะกันเพราะความเห็นย่อมไม่ตรงกันคนหนึ่งอยากจะทำอีกคนไม่อยากจะทำก็เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วคนอยากจะคนหนึ่งอยากจะอยู่คนหนึ่งอยากจะไปก็มีปัญหาได้ดังนั้นอยู่คนเดียวดีกว่าถ้าจะอยู่คนเดียวได้ก็ต้องทําใจให้สงบถึงจะมีความสุข คนที่เขามีความสุขทางใจนี้ก็อยู่คนเดียวทั้งนั้นหรือพระพุทธเจ้าพระหลานตัสาวะทั้งหลายท่านอยู่คนเดียวท่านไม่ยู่กับใครดังนยอมทนทุกข์เดียวเดียวดีกว่าทุกตอนต้นทุกที่เกิดการต่อสู้กับความฟุ้งซ่านความเหงาความว้าเหวความอยากต่างๆพอทําใจให้สงบกำจัดความอยากได้ปั๊บความเหงาความว้าเหวความทุกข์จะหายไปหมดเราจะอยู่คนเดียวจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ดีกว่าการที่มีความสุขจากการได้อยู่กับคนอื่นแต่อยู่กันแต่สุกกันเดียวเดียวเพราะเดียวเขาก็เปลี่ยนแล้วเ ร, เราก็เบื่อเขาได้แล้วใหม่ๆกอ็อร่อยอร่อยดีลองกินของที่เราชอบเยกินบ่อยๆเขากินซ้าทุกวั น, ท, วนทุกวันเดี๋ยวมันก็เบื่อเองของอร่อยก็กลายเป็นของไม่อร่อยไปได้ไม่เชื่อลองกินอาหารจานเด็ดที่เราชอบดูยกินมันทุกวันในวันรำสมือ กินมันไปสักเดือนหนึ่งดูสิว่ามันจะกินมันจะอร่อยไหมนั่นแหละของต่างๆในโลกนี้ก็จะเป็นแบบนี้ใหม่ๆมันมันก็อร่อยเพราะว่ามันเป็นของแปลกของใหม่แต่พอมันไปชินชากับมันแล้วซ้ำซากแล้วมันก็เบื่อละพอเบื่อแล้วมันก็ไม่อร่อยไม่ชื่นไม่ไม่น่ายินดีแล้วก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมานี่คือความสุขที่ได้จากคนอื่นได้จากสิ่งอื่น ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีวันเบือ่อเหมือนของใหม่ตลอดเวลาดังนั้นเอาความสุขแบบพระพุทธเจ้าพระหลานตสาวกดีกว่าก็คือการสุขที่อยู่ด้วยคนอยู่แบบคนเดียวอยู่คนเดียวดีกว่าความสุขที่อยู่กับสองคนเพราะจะต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนคําถามจากคุณชาหยาพอดูกายแล้วเริ่มมีสติ เริ่มเห็นความคิดทั้งดีและชั่วพอมีความคิดเกิดขึ้นผมเห็นความคิดรู้ตัวว่าคิดแต่เหมือนว่ามันคิดรู้ตัวว่าสซ้อนกันแล้วมันเกิดจะเริ่มหลงไปกับความคิดต้องทําอย่างไรต่อไปครับก็บอกว่าไม่ให้คิดอยนีให้ดูร่างกายไปเฉยๆพอเราจดจ่อดูร่างกายมันก็จะคิดไม่ได้พอมันคิดก็ไปคิดตามมันมันก็เลยคิดไปเรื่อยๆให้ดูร่างกายไปมันจะคิดก็อย่าไปสนใจ ให้ดูว่าร่างกายตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังน้างหน้าก็อยู่กับการลั่งหน้ากำลังแปลงควันก็อยู่กับการแปลงควันอย่าไปอยู่กับความคิดแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะหายไปแล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายจากคุณกิติค่ะกาบเรียนถามเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าน้อยค่ะไม่รู้จักนะมีแต่พระพุทธเจ้าที่ปาลันตสมมาสัมพุทธเจ้าเท่าน ที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเสด็จออกบวชคำถามจากคุณสมบูรณ์ค่ะกําหนดลมหายใจเข้าออกแล้วหน่วงที่หัวแก้อย่างไงคะไม่ต้องแก้ดูลมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอาการต่างๆมันเป็นมายาของกิเลสมันเป็นการสร้างอุปสรรคขวางกั้นเพื่อไม่ให้เราภาวนามันอยากจะให้เราไปดูหนังมากกว่าเวลานั่งดูหนังอาการปวดหายไปหมดนะ <c oughs> นอย่าไปสนใจดูไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอใจสงบแล้วมันก็จะหายไปเองจากคุณแม่มดค่ะในแต่ละวันเราจะปฏิบัติตัวแบบไหนคะถึงจะปิดประตูนรกได้ต้องรักษาสี่ท้าให้ได้ตลอดเวลาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวแวนีไม่พูดปวดไม่เสพสุรายาเมาจากคุณจรัญญาค่ะ อยากไปนิพพานเวลานั่งสมาธิใช้คําบริกรรมว่านิพพานนางสุขังได้ไหมคะได้แต่ยังไม่ไปไม่ถึงนิพพานนะนิพพานมันมีหลายขั้นอันนี้เป็นขั้นแรกของการปฏิบัติมันขั้นแรกก็คือการเจริญสติเพื่อทําใจให้สงบเป็นอุเบกขาเมื่อได้ความสงบได้อุเบกขาก็ต้องไปขั้นปัญญาต่อไปพิจารณาตายรักแล้วปล่อยวางทุกอย่างที่เป็นตายรักก็จะไปถึงพระ น, นิพพานได้ คำถามจากคุณวันวิสาค่ะการนั่งทํางานอย่างมีใจจดจ่อมีสมาธิถือว่าเป็นการทําสมาธิใหมคะจะได้บุญไหม่คะก็เป็นการเจริญสติแต่ยังไม่ได้สมาธิเพราะว่าใจยังคิดอยู่ใจยังคิดอยู่กับเรื่องงานเรื่องการแต่อย่างน้อยมันไม่ไปคิดให้ฟุง้งซ่านไม่ไปคิดให้เกิดความอยากถ้าปล่อยให้ใจคิดเพ้อเจอ้อเพ้อฝันนี่มันจะเกิดความฟุง้งซ่านเกิดความอยาก แต่ถ้าเราคิดอยู่กับการงานนี้มันมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่มันก็ยังไม่ทำให้ใจสงบเป็นสมาธิใจจะสงบต้องนิ่งไม่มีความคิดดงนั้นขณะที่คิดแล้วใจเราจดจ่ออยู่กับงานที่เราทำอยู่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นก็เรียกว่ายังมีสติอยู่ใจยังมีสติแล้วก็เราสามารถใช้สตินี้มาใช้เวลานั่งสมาธิได้เวลานั่งสมาธิเราก็อยู่กับพุโทโธไปใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องอื่น พออยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องอยู่อยู่เรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธเรื่องเดียวใจก็จะสงบจะว่างได้จะเป็นอเบคาได้คำถามจากคุณพิชัยค่ะทั้งรูปและนามล้วนเป็นไปตามธรรมดธรรมชาติของเขาเองใจเราที่ไม่ให้ความหมายกับสิ่งเหล่านั้นเกิดเป็นความวางเฉยพิจารณาถูกหรือเปล่าครับ ก็ทุกอย่างเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราให้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ปล่อยวางได้เขาเป็นของเขาอย่างนั้นเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเกิดเขาดับเขาดีเขาชั่วเป็นไปเรื่องไปเขามีเหตุมีปัจจัยทำให้เขาเป็นไปเหมือนฝนฟ้าอากาศนี่ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนจะตกแดดจะออกนี่เขามีเหตุมีปัจจัยทาให้เขาเกิดขึ้นมา แล้วก็มีให้เขาดับไปเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงลงเราไปควบคุมบังคับให้เขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากเราก็จะทุกข์เพราะจะไม่สมหวังนั่นเองหรือถ้าสมหวังก็อยากจะให้เป็นมากขึ้นเพราะความอยากมันไม่มีวันจบนะเพราะอยากได้อย่างนี้พอได้แล้วก็อยากจะได้อย่างนั้นต่ออล้นที่สุดมัก็ต้องไปผิดหวังอยู่ดีเพราะมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ งั้นถ้าเราไม่อยากจะโชคก็อย่าไปอยากคําถามจากคุณโชคถ้ามีลูกแล้วพาไปเข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆตั้งแต่อยู่ในท้องจะช่วยให้ลูกมีจริตนิสัยอยากเข้าวัดทําบุญฟังธรรมตอนเกิดมาด้วยไหมครับยังหรอกเวลาอยู่ในท้องมันยังนอนหลับอยู่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวขนาดเป็นเด็กไร้เดียงสาก็ยังไม่รู้เรื่อง มันต้องร ม, มีมีเดียงสารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่ากำลังฟังเทศรู้ว่าฟังเทศแล้วได้ประโยชน์อะไรอย่างไรถึงแนมะ้เอาลูกมาฟังมันก็เพียงแต่ฟังไปด้วยกิริยาแต่ไม่ได้ฟังด้วยใจใจมันก็อาจจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเมื่อไหร่จะหยุดพูดสักทีพ่อพูดนานเหลือเกิน่าไปเล่นก็ไปเล่นไม่ได้เนี่ยนันมันต้องต้องฟังด้วยสติด้วยปัญญา ด้วยศีลด้วยสมาธิมันถึงจะเป็นประโยชน์เราจะเป็นนิสัยต่อไปได้แต่เอามาก็ดีอย่างน้อยก็ให้เขาได้รู้จักสิ่งที่ดีแล้วต่อไปเขาก็เวลาที่เขาต้องการหาสิ่งที่ดีเขาก็จะได้รู้ว่าจะไปที่ไหนถ้าเราพาเขาไปเที่ยวเขาก็จะคิดว่าการไปเที่ยวนี้เป็นสิ่งที่ดีเขาก็จะไปไปหาที่เที่ยวอยู่เรื่อยๆดังนั้น มันก็อยู่ที่เราว่าเราจะปลูกฝังให้เขาไปในทางไหนแต่ขนาดปลูกฝังแล้วถ้าใจเขาไม่ชอบเขาก็ไม่มาก็ได้พอเขาโตเขาเป็นตัวของเขาแล้วถ้าเขาไม่ชอบมาวัาเขาก็จะไม่มาแต่แม้ว่าจะพาถูกพามาตอนเป็นเด็กมาทุกอาทิตย์ก็ตามแต่พอเขาเป็นตัวของเขาเขาเป็นอิสระแล้วเขาก็อาจจะไม่มาก็ได้เฉะนั้นเราอย่าไปหวังอะไรมากเราก็ทาดีที่สุดทาหน้าที่ของเราไป เสนอสิ่งที่ดีให้เขารู้จักให้เขาได้พบแล้วต่อไปเวลาเขาเป็นตัวของเขาเองแล้วเขาอยากจะได้หรือไม่ได้นี้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเราหมดหน้าที่แล้วเหมือนมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ที่สอนให้คนไปพระนิพพานกันแล้วทําไมลูกศิษย์ของพระองค์บางคนไปถึงนิพพานบางคนไปไม่ถึงนิพพานพระพุทธเจ้าบอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเป็นคนสอนเป็นคนบอกเท่านั้น เขาเป็นคนปฏิบัติเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติตามเขาก็ไปถึงถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามมันก็ไปไม่ถึงแต่เราไปบังคับให้เขาไปไม่ได้ฉันได้ลูกเราเราจะไปบังคับให้เขาเป็นคนดีไม่ได้จะบังคับให้เขาเป็นคนชั่วก็ไม่ได้เขามีบุญมีกรรมมีเจริญนิสัยของเขาที่จะเป็นตัวทําให้เขาดีหรือเขาชั่วเราเพียงแต่มีส่วนที่จะคอย คอยดึงคอยฉุดคอยลากแต่ก็ทําได้ในระดับหนึ่งถ้ากําลังของเขามากกว่าเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะไปในทางดีหรือทางชั่วอย่างพ่อพระพุทธเจ้าก็อยากให้ไปทางชั่วอยากให้ไปเป็นมหาจั ก, กรพรรดิอยากจะให้ไปฆ่าคนนะไปทําสงครามจะได้ยึดครองแผ่นดินจะได้มีอาณาจักรใหญ่โตก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไปทําความชั่วนี้ แต่พระพุทธเจ้าไม่ชอบทำบาปท่านอยากจะไปไปนิพพานท่านก็เลยแยกทางกับพ่อไปคนละทางพ่ออยากให้เป็นมหมาจากกระพัดแต่ลูกอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะไปพระนิพพานอันนี้เราห้ามไม่ได้เพราะว่าวิถีชีวิตของเขาเขาได้วางแผนไว้ในใจของเขามาแล้วตั้งแต่อดีตชาติก่อนที่เขาจะมาเจอเราก่อนที่เขาจะมาอยู่ในท้องเรานี้ เขาได้วางแผนไว้แล้วเขาได้สร้างบุญสร้างบาปไว้แล้วที่จะเป็นตัวที่จะผลักดันให้เขาไปในทิศทางใดทางหนึ่งเราทำได้อย่างมากก็ให้สิ่งแวดล้อมอย่างพ่อพรพุทธเจ้าก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่จะหลอกล่อให้อยู่ในวังต่อไปหาเด็กสวยๆงามๆหาสิ่งสวยๆงามๆมาให้ดูให้ฟังให้ชมแต่ดูแล้วมันก็เบื่อก็ยังอยากจะออกไปดูข้างนอกวั ง, งว่ามีอะไรก็เลยหนีออกไปวันหนึ่ง ก็เลยไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เลยทำให้เกิดมีความปรารถนาที่จะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็เลยเห็นนักบวชก็เลยรู้ว่าถ้าอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องออกบวชแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายในที่สุดพ่อก็เลยไปบวชเนี่ยขณะที่พ่อพยายามควบคุมไม่ให้ไปเห็นสิ่งต่างๆที่จะทาให้ไปบวช ก็ยังห้ามไม่ได้พอถึงเวลามันก็จะมาเองของพวกนี้ถ้าเราเคยทําปลูกฝังสิ่งที่ดีไว้ถึงเวลามันก็จะส่งผลให้เราเองถ้าเราทําสิ่งที่ไม่ดีถึงเวลามันก็จะส่งผลให้เราเองเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนะี่ยเราปลูกต้นไม้ชนิดใดไว้มันก็ต้องออกผลของต้นไม้ชนิดนั้นปลูกกล้วยมันก็ต้องออกกล้วยจะไปออกมะละกอไม่ได้ ปลูกสับปะรดมันก็ต้องออกสับปะรดจะไปออกกล้วยไม่ได้แต่ใดปลูกฝังบุญบา ร, รมีมาอย่างพระพุทธเจ้ามันก็ต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละจะไปเป็นพระหมหาจักรพรรดิเป็นไปไม่ได้ดังั้นที่เราเป็นพ่อแม่หรือเราก็ต้องทําใจว่าเราทําได้ในระดับหนึ่งเราให้สิ่งที่ดีกับเขาไปชีแนะว่าสถานที่ดีอยู่ที่ไหน สิ่งดีๆอยู่ตรงไหนทำอะไรอย่างไรถึงจะได้ดีก็บอกได้สอนได้่เมื่อถึงเวลาเขาจะเอาหรือไม่เอานี่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้คำถามจากคุณเบนซ์เวลานั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านคิดอะไรไปมากมายจิตไม่สงบทำไงดีครับก็ไม่มีสติไงก็ให้มาหาพุโทโธพุโทโธไป ทำไมชอบนั่งพุ้งซ่านกันบอกให้นั่งให้นั่งพุทโธไม่เอากันปากเปียกปากฉีก่อยู่ก็เรื่องพุทโธคําเดียวเนี่ยแล้วก็ไปปฏิบัติฟุ้งซ่านกันโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยอกเหนื่อยใจสอนถ้าเป็นแทบตายก็ทุกวันก็เรื่องให้พุทธโทพุทโธเนี่ยแล้วพอไปนั่งก็พุ้งซ่านกันแล้วกลับมาถามว่าทํางานมันฟุ้งซ่านก็เพราะมันไม่พุทธโทอะไร คำถามจากคุณสมิตาค่ะเราสามารถฝึกนั่งสมาธิด้วยตัวเองได้ไหมคะเราก็นั่ ง, งเวลานั่งสมาธิก็นั่งคนเดียว่ใครจะมานั่งกับเราแต่เวลาเรียนเนี่ยนั่งเรียนกับคนที่เขารู้ไปถามวิธีก็ เ, เหมือนทํากับข้าวอย่าเงี้ยอยากจะทํากับข้าวทําแกงอย่างเงี้ยทายังไงก็ไปศึกษาเขาเมื่อได้รู้จักวิธีแล้วเราก็มาทํากับเราเองเ อ, อันนี้ก็เหมือนกันเวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องมีใครมานั่งกํากับควบคุมบังคับหรอก เรานั่งคนเดียวเพราะเวลานั่งสมาธิต้องการอยู่คนเดียวเพราะนั่งสองคนจิตมันก็จะไปผวงกับคนที่นั่งข้างๆเราเฮ้เขานั่งดูเรารู้เปล่าเขาอะไรเรารู้เปล่าเนเวลานั่งสมาธิต้องนั่งคนเดียวแต่เวลาเรียนวิธีนั่งสมาธินี้ต้องไปเรียนกับคนที่เขานั่งเป็นแล้วเขาจะได้แนะนำวิธีที่ถูกต้องแล้วเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องคาถามจากคุณสรัญญาค่ะ ถ้าคนป่วยจิตสุดท้ายก่อนจะดบับควรให้คนป่วยคิดบริกรรมอย่างไรคะออตอนนั้นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วแหละเราไปเหมือนนั่งมวยเขาขึ้นเวทีแล้วตอนนั้นออโคดนี้อยู่ข้างๆก็ได้ประตะกนนนนะ ร, ร, รู้นะพุทโธพุทโธว่าจะทาใม้ทาก็เรื่องของเขาแล้ ว, ลวคาถามหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วเลยเออดีเวลาก็ใกล้จะหมดพอดีมีใครอยากจะถามอีกไหม ตอนนี้ยังมีเวลาอีกเล็กน้อยถ้าไม่มีเดี๋ยวเวลาจบแล้วห้ามเข้ามาถามนะพอจบแล้วเดี๋ยวเข้ามาถามต่อถามอยากจะถามเอาเลยถามตอนนี้เลยเรียนพระอาจารย์ค่ะเอ่ออยากจะถามเรื่องสถานที่ที่ปลกวิเวกค่ ะ, ะคือมันมีน้อยแล้วก็ ต้องเหมือนคิวยาวไม่ทราบว่าจแนะนํามันก็มีหลายที่ก็ลองไปหาดูมีวัดเยอะแยะวัดป่าวัดอะไรต่างๆต้องเสิร์ชดูไปค้นคว้าหาดูแล้วถ้าถ้าอยากจะบวชแต่ว่าเป็นเพศหญิงนะคะไม่ทราบก็มีมก็มีวัดที่เขาบวชนล้วเราไปอยู่ได้ก็ต้องศึกษาดูเหมือนกันเราไม่ได้เป็นไกายทางนี้เราไม่รู้ สมาี่เราบวชเราก็ต้องศึกษาเพราะดีเราโชคดีเราไปได้หนังสือมามีฝรั่งคนหนึ่งเข้าไปเขาไปดูวัดปฏิบัติต่างๆแล้วเขาก็มาทำเป็นหนังสือแนะนำว่าวัดนี้อาจารย์สอนในแนวไหนมีพระกี่รูปสถานที่เป็นอย่างไรอาหารเป็นอย่างไรอากาศเป็นอย่างไรก็ได้อาศัยหนังสือที่เขาแนะนำมานี้แล้วก็อ่านแล้วก็เลือกดู ก็ต้องไปค้นหาดูเอาลองใส่ในกูเกิลอะไสถานปฏิบัติธรรมเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาเองแล้วเราก็หาไปเรื่อยๆไม่ยากหรอกสมัยนี้ยิ่งสะดวกกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีกูเกิลต้องหาค้นหาทางห้องสมุดไปหาดูหนังสือหรือไปคุยไปถามคนนั้นคนนี้ของนี้มันต้องค้นคว้าเอานะถ้าเราคขนขวายมันก็ มันมีทางไปเนะี่ยไม่ยากหรอกคุณค่ ะ, ะมีเข้าวไมาก้กหมดแล้วอมีค่ะอ้ะาวไมา้ได้หน่อยนึงอ่ะจากคุณกิตินะคะพระพุทธรูปและรูปหล่อของพระสงฆ์จัดวางบนที่เดียวกันได้ไหมครับเพราะมีคนบอกว่าถ้าตั้งเท่ากันไม่ได้พระพุทธต้องวางบนที่สูงกว่า เกเรามีสมมุตินิยมไงคือความจริงพระพุทธรูปนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรหรอกเป็นลูก ป, ปั้นที่เราปั้นกันขึ้นมาแต่เมื่อเราปั้นแล้วเราไปสมมุติว่าลูก ป, ปั้นนี้เป็นพระพุทธเจ้าลูก ป, ปั้นนี้เป็นพระอาจารย์ทีนี้พระอาจารย์กับพระพุทธเจ้านี้ถือว่าเป็นครูกับลูกศิษย์จะเอาครูกับลูกศิษย์ไปอยู่ที่เดียวกันมันก็ไม่เหมาะครูก็ต้องอยู่สูงกว่าลูกศิษย์เยท่านนั้นเองงนเวลาที่เรา มีของที่เป็นสมมุติเราก็ต้องคำลบกฎของสมมุติก็มีสูงมีต่ําเราก็ต้องว่าไปตามกฎของสมมุติอผู้ที่สูงกว่าก็ต้องอยู่ที่สูงกว่าผู้ที่ต่ํากว่าก็ควรจะอยู่ที่ต่ํากว่าหมแล้วใช่ไหมอีคําถามค่ ะ, อะเอาเอาก่อนเอคําถามจะคุณจะเดชค่ะพระบวชยังไม่ได้นิสยัยเปลี่ยนสถานที่บ่อยสมควรไหมครับไม่คว ร, รอะเพราะว่าการบวชนิยะแรกนี้ควรที่จะ อยู่กับครูบาอาจารย์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและในขณะเดียวกันก็จะได้เป็นการควบคุมความอยากที่ไปนี้ส่วนใหญ่ไปด้วยความอยากซึ่งมันขัดกับเป้าหมายของการปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อยุติหยุดความอยากดังนั้นถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้เรื่องนี้ท่านจะบังคับให้อยู่กับท่าน5ปีไม่ให้ไปไหนเลย ถ้าอยากจะไปก็ไม่ต้องกลับถือว่าไม่เชื่อฟังไม่ยอมทําตามคํามั่นสัญญาก็จะไม่ให้กลับมาถ้าอยากจะไปแล้วท่านไม่ให้ไปแล้วฝืนคําสั่งจะไปก็ไปได้ไปแล้วก็ถือว่าขาดจากการเป็นครูเป็นอาจารย์กันไปไปหาอาจารย์องค์ใหม่ไปดังนั้นไม่ควรพระที่บวชใหม่นี้ท่านบังคับให้อยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพรรษาขึ้นไป ขอาการ์ดค่ะพระอาจารย์หนูเข้าใจว่าการปฏิบัติเพื่อหาทางคนทุกข์อะคะ่ะแต่ถ้าเราอยากจะเจอพระสีอา น, นะคะพระอาจารย์เราวางแผนเพื่อที่จะเจอพระสีอาณได้ไหมคะวางแผนได้ก็ดีสินไปวางได้ไงเพราะเราคงไม่รู้พระสีอาณจะมาเกิดเมื่อไหร่ที่ไหนแล้วเราจะไปรู้เราจะไปเกิดที่นั่นได้เราก็เก่งเลยถ้าเก่งขนาดนั้นก็ไปนิพพานจะไม่ดีกว่าเลยตอนนี้ การกําหนดว่าเราจะไปเจอพระศรีอานได้นี่มันแสดงว่าเราเก่งกว่าการไปนิพพานใช่ไหมถ้าเรากำหนดได้เราก็ไม่ต้องไปกําหนดไปหาพระศีอานให้เสียเวลาก็กําหนดไปนิพพานเฉยเลยไม่ดีกว่าไม่ง่ายกว่าเยอะแยะทำไมชอบไปทําของยากของง่ายไม่ทำงเงินเพราะขี้เกียจใช่ไหมถุกกิเลสตันหลอกว่าอย่าพิ่งทําเลยไปรอไปเจอพระศรีอาร์ก่อนเราเคยทําตอนนี้ขอเที่ยวก่อนเล่นก่อนก็มีเท่านั้นแหละเรื่องของการที่จะไปเจอพระศีอาน ก็ได้เมื่อเจอหมอคนนี้แล้วหมอคนนี้รักษาโรคอะไรให้หายได้แต่ไม่เอาต้องขอรอหมออีกคนหนึ่งอยากจะเจอหมอที่ดูปล อ, อกกว่าคนนี้เราจะไปรู้หมอคนใหม่จะมาเมื่อไหร่ตอนนี้มีหมอแล้วทำามไม่เอาพระพุทธเจ้านี้ก็เหมือนกับพระสีอานทุกอย่างไม่ต่างกันตรงไหนคาสอนของท่านก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็เท่ากับได้เจอพระสีอานแล้วตอนนี้เราจะไปหาพระสีอานที่ไหนอีกบ้าหรือเปล่าเข้าใจไหม ลองศึกษาเหตุผลดูพระสี่งานคือใข่ก็คือพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมคําสอนก็คือใข่พระธรรมคำสอนก็คือตัวแทนของพุทธเจ้าทําวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปหลังจากที่เราจากพวกเธอไปแล้วพระพุทธเจ้าองค์นี้กับพระพุทธเจ้าองค์หน้ามันต่างกันตรงไหนก็เหมือนกันก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันสอนเหมือนกันตัดสรุปเหมือนกันทุกอย่าง เปนเหมือนตุ๊กตาเหมือนกับรถยนต์ที่ออกมาจากโรงงานคันโรงงานเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยเพียงแต่ว่าออกมาก่อนออกมาหลังมันก็เหมือนกันใช่ไหยเวลาคนไปซื้อรถคนจะไปบอกว่าจะเอาคันที่เท่าไหร่หรือเปล่ามันเหมือนกันอะคันที่หนึ่งหรือคันที่ร้อยมันออกมามันก็เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่ร้อยก็เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าองค์นี้กับพระพุทธเจ้าองค์หน้าก็เหมือนกันหมดเราจะไปหาพระพุทธเจ้าองค์หน้าทําไมเมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์นี้อยู่แล้วก็ถูกความ หลงมันหลอกเราไปท่านเองกิเลสมันไม่ยอมให้เราปฏิบัติมันอยากจะให้เราไปเที่ยวใช่ไหมยังไม่อยากบวชชีใช่ไหมอ๋อว่ามีท่านนั้นแหละกระจายอย่างเดี๋ยวไปเจอองค์หน้าก็แบบเดิมอีกะก็ขอเจออีกอง็อ ง, องค์ต่อไปเนี่ยมันก็จะหลอกเราไปเรื่อยๆถูกหลอกมาไม่รู้กี่คนแล้วรู้ปะเคยเจอพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้วเจอทีไรก็ถูกหลอกว่าให้ไปไปเจอองค์หน้าดีกว่าองค์นี้ไม่ดีอื ชู่องค์งหน้าไม่ได้เหมือนกันกี่อกองค์ก็เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าตัดสรูปเหมือนกันสอนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนฝาแฝดเดียะเลยยิ่งกว่าฝาแฝดเสีอีกฝาแฝดบงทียังพูดไม่เหมือนกันเ่แต่พระพุทธเจ้าทุกรูปนี้พูดเหมือนกันหมดให้ทําบุญละบาปชําระใจให้สะอาดบอยสุดทุกรูปเหมือนกันหมดเราจะไปรอพระพุทธเจ้าองค์องค์งต่อไปทําไมพระอาจารย์คะหนูได้ยินว่า ยุคภาษีอาญาเมตายจะมีความสุขมากนะคะก็ถูกก็หลอกอกันแล้วมันจะมากมันก็มันมากไม่มากก็อยู่ที่ว่าใจเราถึงนิพพานแล้วไม่ถึงนิพพานถ้าใจเราไม่ถึงนิพพานต่อให้อยู่กับภาษีอานก็ไม่มีความสุขอยู่ดีความสุขมันอยู่ที่ใจของเราใจที่ปราศจากความอยากไม่ใช่อยู่เพราะว่าเราอยู่ใกล้กับภาษีอาญานะอย่าไปหลงนเนี่ย ถูกหลอกลูกนะคนพวกนี้ถูกหลอกเพราะคนพวกนี้ยังไม่อยากปฏิบัติกันยังอยากจะเที่ยวยังอยากจะเล่นกันอยู่ยังอยากจะเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปเพราะว่าไม่ชอบปฏิบัตินั่นเองไม่ชอบบวชชีกันไม่ชอบบวชพระกันชอบมีลูกมีเมียชอบมีแฟนชอบมีสามีชอบมีภรรยา พวกนี้ก็ไม่มีวันที่จะบวชได้เขาก็จะอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อจะทำให้เขารู้สึกสบายใจเท่านั้นเองในการหลอกตัวเขาเองเข้าใจแล้วน ะ, อ ะ, อะพอแล้วนะโอเคคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ